เขียนท่านเคยเล่านะว่าประมาณสักยี่จะบกับบีที่แล้วหรือว่านานกว่า น, นั้นเคยมีพระบทใหมนะ่พี่ชายนี่พามาหาท่านหน้าตาก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะพระเนี่พี่ชายพามาเพื่อมาปฏิบัติกับหลวงพ่อ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 ให้กลับไปปฏิบัติหายไปสักชั่วโมงได้เนี่ยก็ใหม่ทีนี้พูดเหมือนเดิมเรเราจะขอสึกให้ได้หลวงพ่อก็เลยถามว่าอะไรพาให้คุณมาที่นี่อะไรพาคุณมาหาผมบ๊อมันก็คิดสักพักแล้วก็บอกว่าความคิดครับหลวงพ่อก็เลยถามต่อไปว่า มันคิดแล้วนี่ต้องทําตามความคิดทุกอย่างเลยนะถ้าทําตามความคิดทุกอย่างนี่ไม่แย่เลยแล้วหลวงพ่อก็เลยให้เขากลับไปปฏิบัติต่อพาลุงนั้นก็มีสีหน้าไม่พอใจตอนนั้นคงก็คั่มแล้วนะเย็นแล้วเนะช้าตรูท่ทาวัดเนี่ยพอพาลุงนั้นเนี่ยเห็นหลวงพ่อก็รีบมาเลยแต่ครั้นที่แทนที่จะขอศึกนะก็มากราบเท้าหลวงพ่อ แล้วก็บอกขอบคุณหลวงพ่อที่ไม่สึกให้เขานะพระรุ่นนั้นก็สารภาพว่าเนี่ยถ้าหลงพ่อสึกให้เนี่ยเขาก็คงจะไปฆ่าคนป่านี้ก็คงจะฆ่าคนไปเรียบร้อยแล้วพระรุ่นั้นก็บอกว่าเนี่ยตอนที่เดินจงกรมอยู่เนี่ยก็คิดตลอดเวลาว่า จะแย่ปืนจากน้องชายแล้วใช้ได้ปืนแล้วจะไปฆ่าคนสองคน <c oughs> ก็คงจะเป็นเมียกระชู้นะแล้วก็คิดกระทั่งว่าเนี่ยฆ่าเสดจจะหลบไปไหนแต่พอหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเนี่ยนะพูดทักท้วงเขา เ, าเลยได้คิดนะก็เลยมากราบขอบคุณหลวงพ่อนะ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 เพราะว่าถ้าหากว่าพระผู้นั้นนี่ทำตามความคิดแล้วก็หลวงพ่อก็คล้อยตามยอมจึกให้เขานี่ชีวิตก็คงจะย่าแย่มากกลายเป็นคาตกรติดคุกติดตารางความคิดนี่เราต้องไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องทำตามมาทุกอย่างนะถ้าทำตามมาทุกอย่างเนี่ยเราก็คงจะแย่ต้องรู้จักทักท้วงเหมือนบ้าง เมื่อวานที่ถามว่าทิมนิมิตถามว่าเออความคิดนี่มันไม่ดีอย่างไรน ะ, ะมันดีถ้าเกิดว่าเราใช้มันเรารู้จักใช้มันแต่ถ้าปล่อยให้มันใช้เรานี่เราแย่นะ <c oughs> ความคิดนี่มันเป็นเบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวก็มันก็นเงินนั่นนะ <c oughs> เงินนี่เป็นเบาวที่ดีเป็นนายที่เลวถ้ามันเป็นนายแล้วเมื่อไหร่ชีเราก็แย่เลย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 ทำธุรกิจร้านค้าปลอดภาษีตามสนามบินก็ได้เงินมาสอบสมบัติแกทั้งหมดนี้ประมาณสอ ง, สอ ง, สองละ2 0แสนหรือส0 0แสนล้านบาทแต่ปรากฏว่า9กกว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินที่แกได้นี่แกรบริจาคหมดเลยให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตัวแกก็เอาใช้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 ก็ทำให้ร้อนรุ่มกลุ้มใจนะหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจสารพัดนะความคิดนี้ทีแรกเราใช้มันนะแต่ว่าถ้าปล่อยมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันใช้เราคน <c oughs> คนเวลาจะทำชั่วเนี่ยก็สามารถจะสันนัยเหตุผลมารองรับการกระทำได้นะไม่ว่าจะเป็นคอรับชั่นขอรับชั น, นะบชนเพื่อชาตินะีนะ่ก็ มีเยอะนะเหตุผลแบบนี้นะหรือว่าจะไปกินเหล้าติดยาเนี่ยคนนี้ก็มีเหตุผลแต่คนนี้เนี่ยนะในเมื่อเรารู้ว่าความคิดเนี่ยมันถ้ามันเป็นนายแล้วเมืม่อไหร่นี้เราแย่แต่เราจะเป็นนายมันได้ยางไงก็นี่แหละต้องรู้จักทักท้วงความคิดที่มันพุดขึ้นมาใน ใ, นใจนะเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะดูสวยหรู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 ถ้ามันไม่มาขอโทษกูกูก็ไม่ให้แพมมันเด็กขาดนะหรือมันคนก็ถึงขั้นว่าชิปหายนะไม่เป็นไรขอให้ได้เล่นงานมันขอให้ด่ามันแต่ชิปหา ย, ไ ง, ยนะ ไ, ว ไ, วไงกูก็ยอมจะวายว้อยไงกูก็ยอมาขอเล่นงานมันด่ามันนะอันนี้ก็เป็นความคิดนะเป็นเหตุเป็นความคิดที่มันทําให้คนเนี่ยนะหลงจมอยู่ใน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 แต่ที่มันเกิดที่มันการที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอารมณ์เนี่ยก็ต้องเกิดจากความคิดก่อนนะอย่างเรอตรงนี้เนี่ยนะนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าสั่งให้โกรธเนี่ยทุกคนจะโกรธไม่ได้เลยจนกว่าจะคิดถึงไอ้ใครบางคนนะที่มันทําร้ายเรามันโกหกเรามันโกงเราหรือทําตัวน่าละอายน่ารัารางเกียจนีหรือคนที่เราไม่ชอบ ต่อเมื่อคิดถึงเขาคิดถึ ง, างการกระทำของเขาเนี่ยจึงจะโกรธนะอยู่ดีๆจะให้โกรดนี้มันไม่ได้นะความโกรธไม่ใช่ว่าเราจะสั่งให้มันเกิดขึ้นแม้แต่ไฟเนี่ยเราจะสั่งให้มันเกิดเราองทำไม่ได้เราต้องจุดมันก่อนนะเราต้องจุดนะหรือว่าจุดกับกลักไม่ขีดหรือว่ า, าจุดไฟขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเกิดเป็นเปลวขึ้นมาได้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 เพราะว่าถ้าเราไม่ใช่ความคิดเราก็ไม่เห็นทางออกของปัญหาความคิดมีประโยชน์นะแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักวางมันด้วยรู้จักหยุดคิดด้วยถ้ายังคิดไม่ออกอก็ไม่เป็นไรวางเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาคิดใหม่เพราตอนนี้ได้เวลานอนแล้วตอนนี้ได้เวลา อ, อยู่กับลูกแล้วอยู่กับ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 มันน่านั่งไนหะมันตรายนะความคิดของคนสมัยนี้มันเหมือนกับรถยนที่เร็วแรงแต่ไม่มีเบรกจะอยู่ก็เตเมื่อหมดน้ามันนะน้มันหมดถึงค่อยหยุดนะก็คือว่าหมดสภาพไปแล้วนะเหนื่อยละนะ้าถึงค่อยหยุดหรือว่ า, าถึงค่อยหลับสลบไปทนำะไม่ไม่หลับก็ต้องหาทางหยุดด้วยการใช้ยานะกินยา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 ไม่สามารถที่จะทําให้มันล่อดลงแบบแบบลื่นได้แบบซนะอฟต์แลนดิ้งเนี่ยถ้าเราเก่งในการเอาขึ้นเครื่องบินขึ้นฟ้าเอาเครื่องบินขึ้นฟ้าแต่ว่าเอามันล่อดลงไม่ได้อย่างปลอดภยัยนี่มันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราคิดเก่งคิดเร็วคิดไวนะก็ต้องรู้จักหยุดคิดได้หรือว่าวางความคิดได้อันนี้สิ่งจะเรยกไว่าเป็นนายความคิด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 แต่พอผ่านไปสักพักอาจจะรู้สึกว่าเออมันน่าเบื่ออหลายคนนี่เป็นประเภทพวกจอมโปรเจกต์นะมีคําเรียกนะจอมโปรเจกต์นี่คือว่าคิดได้เยอะมากเลยแต่คิดไปสักพักก็เบื่อแนละ้วะคิดก็วางแล้วก็ไปคิดใหม่อคนเหล่านี้เนี่ยทีแรกตอนที่เขาคิดเนี่ยนะเขาจ็รู้สึกว่าโอ้มันเยี่ยมมากเลยสุดยอดนะแต่พอผ่านไปสักสองสาวันก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าทาแนละ้วก็ยังดีนะที่ยังก็ยังเห็นว่าเป็น เห็นมันมีจุดอ่อนแต่บางคนนี่พอคิดแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่คิดว่าตัวเองยอดอย่างเดียวไม่ใช่คิดว่ามันยอดอย่างเดียวนะก็ยังอยากให้คนหน่ง oui เห็นเหมือนตัวด้วยพอคนหนึ่นเห็นไม่เหมือนตัวนี่ก็โกรธนะไปว่าเขาเนี่ยเสร็จแล้วตัวเองไม่ใช่ไม่นานก็เบือ่อก็ทิ้งมันไปเหมือนกันบางทีเปรียบเหมือนกับเด็กนะเด็กที่ไปก่อปราสาททรายบนชายหาเนี่ย ตอนที่เด็กกอบประสาททรายให้โหเด็กนี่ภูมิใจมากนะแล้วสู่เป็นเจ้าข้าเจ้าของมาใครจะมาแตะใครจะมาต่อเติมเสริมแต่งนี้ไม่ยอมนะบางทีก็ถึงกับอลงไม้ลงมือเพื่อปกป้องประสาททรายนะแต่พอถึงตกเย็นเนี่ยแม่พ่อเรียกไปเที่ยวนะไปกินข้าวนะเด็กนี่ไม่ไม่ไม่ใช่แค่ไปอย่างเดียวนะก่อนไปก็กระทืบประสาททรายทิ้งก่อน นะไอ้ตอนแรกมีนหวงมากหวงแหนมากเลยนะแต่พอตอนพอผ่านไปหลายชั่วโมงชักเบื่อนะแล้วมันก็ะเทิบอเองเลยนะความคิดของเราบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะคือทีแรกนี่มันสวยหรูโอ้โหเยี่ยมยอดผ่านไปสักหน่อยนี่ก็รู้มไม่เข้าท่าแล้วนะแต่แทนที่เราจะเห็นว่ามันแทนที่เราจะเห็นว่ามันมีจุดอ่อนตั้งแต่อ่าในตอน ท, ท้ายเนี่ยเราก็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 แต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่ความคิดงตัวเองหรอกนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาเพราะว่าเป็นที่สายที่สะสมกันมานานความคิดมันก็ไม่ใช่เราของไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่นะแต่พอไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ยมันก็สามารถจะอมันก็กลายเป็นนายเราทันทีนั่นก็แปลนะอะไรที่เราไปยึดว่าเป็นของเราเนี่ยทันทีที่เราเยอะเป็นของเรานะมันกลายเป็นนายเราเลย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 เราพร้อมที่จะตายเพื่อปกป้องมันนะหรือว่าพร้อมที่จะทำลายคนอื่นเพื่อปกป้องมันพร้อมที่จ ะ, ะทะเลาะบ่อแวงกับคนใกล้ตัวลูกเมียพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อปกป้องมันนะทั้งที่พอผ่านไปสักหน่อยก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เข้าทา่าโยนมันทิ้งไปก็มีคนที่หลายคนที่ยอมตายเพื่ออุดมการ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 จะพึ่งผีผามนะจะพึ่งผีผามไปทําตามมันจะพึ่งผีผามไปยกย่องเชิดชูมันหรือว่าปลื้มแบบมันดูมันไปสักกอดนะดูมันไปสักพักนะใส่ตองให้ดีๆเหมือนกับเราเราดูของเราถือของแล้วก็ดูอย่างละเอียดนว่ามันมีข้อบกพร่องมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้าง อันนี้ทาให้ความคิดเนี่ยมันมาครอบงาจิตใจเราน้อยลงมันจะกลายเป็นมันจะไม่ปเป็นนายเรานะแต่ว่าเราจะเป็นนายของมันถ้ามันดีเราก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์เ้วก็ใช้แล้วนี่ก็รู้จักวางรู้จักหยุดไม่ปล่อยให้มันครอบงาใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะว่าหยุดคิดไม่ได้